มาเข้าวัดเข้าวานะมาฟังธรรมหาคุณงามความดีใส่ตัวอย่ามาทำความชั่วในพัดเอาพวกยกมือซีพวกเข้าคอสหัดภาวนาก็ดีนะหัดไปสามวันแล้ว ใครรู้สึกว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลย<ม>ที่เข้าคอร์สที่ไม่ไม่เข้าใจไม่อะไรมีไหมยกมือนะกล้าหาญหน่อยหลวงพ่อจะได้ช่วยเหลือเป็นพิเศษไม่ใช่อะไร <c oughs> เอาถือว่าผ่านหมดนะไม่ใช <c oughs> <c oughs> ยกมือเราศึกษาธรรมะนะเพื่อประโยชน์สองอัน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 เราก็สวยเราก็หล่ออาจจะไม่สวยหล่อตามมาตรฐานโลกนะแต่ใครเห็นเราเ้วก็สบายใจนี่เราสวยแบบลึกซึ้งเลยแค่เห็นเราก็สบายใจแล้วอย่างเราเห็นหน้านางผู้ร้ายรนะับจ้างทำชั่วอะไรอย่างี้เห็นแล้วไม่สบายใจเห็นคนมีศีลมีธรรมก็สบายใจถ้าเราเคยเจริญปัญญานะหาดวิปัสสนากรรมฐานนะ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 แล้วธรรมมาไม่ค่อยน่าสนใจดูแล้วจุดชืดดูแล้วเป็นของคนโง่คนตกยุคคนล้าสมัยแต่ทําไมพวกเราสนใจเพราะเรามีบารมีเราดูออกว่าอะไรเพชรแท้อะไรเพชรเถียมเพชรเก๋นะวุบว้บาวบว้บาวนะยิ่งกว่าเพชรจริงอีกพอเรารู้เท่ารู้ทันนะเรารู้ว่าอะไรดีทาไมรู้ได้ของมันเคยสะสมมา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 แยกธาตุแยกขันได้เคยมีโยมคนหนึ่งไปเรียนจากครูบาอาจารย์ <c ute> ฟังครูบาอาจารย์สอนให้ดูจิตดูใจสิบชั่วโมงเท่านั้นแหละแยกขันได้แล้วแยกขันได้ของมันเคยทําตัวผู้รู้ก็เด่นขึ้นมานะเห็นขันแยกออกไปแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อพีจับเอาตัวผู้รู้ไปรักษาตัวผู้รู้ไว้ไครูบาอาจารย์ก็มาแก้ให้ว่าตรงนี้ไม่ถูก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 นี่เพราะว่ามีอาจินกรรมไม่ใช่โทษผู้หญิงนะผู้ชายไทยเนี่ยค่อนข้างไร้สาระไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยรับผิดชอบผู้หญิงนะีทำงานก็หนักนะออกจากบ้านไปก็ต้องทำงานเข้าบ้านมาก็ต้องมาทำงานอีกผู้ชายไม่ค่อยยอมทำอะไรนะมาถึงก็เปิดทีวีเปิดวิดีโอดูกินนอนกินนี้อวางถ้วยวางจานทิ้งให้ผู้หญิงล้างอีกผู้หญิงเหนื่อยมากๆก็เริ่มบน่นนะ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 ความสุขผุดขึ้นมาปุ๊บสติก็รู้ทันแล้วจิตมีความสุขเกิดขึ้นแล้วความทุกข์นี้เดี๋ยวเกิดขึ้นมานะก็รู้ทันละสติเกิดบ่อยนะหรือหัดดูกิเลสกิเลสตัวไหนเกิดบ่อยดูตัวนั้นเป็นหลักคนไหนขี้โมโหดูใจโมโหมันเดียเด๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็โมโหคนไหนขี้โลภดูใจโลภเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากดูบ่อยๆดูบ่ยบอยๆไป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 แล้วก็อาศัยสมาธิคืออาศัยใจที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ไม่เพ่งกายเพ่งใจจนแข็งแข็งถ้าเพ่งกายเพ่งใจจนแข็งแข็ ง, ขงเนี่ยเจริญวิปัสสนาไม่ได้นะงั้นอย่างบางคนไปดูท้องพองยุบแล้วดูจนตัวแข็งเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนาแน่นอนนะมีแต่งตารากันไว้นะเึ่งมันคลาดเคลื่อนจากสภาวะเลยบอกว่า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 สร้างคุณงามความดีมันติดเนื้อติดตัวข้ามคบข้ามชาติไปอ้าวไปกินข้าว